พระบัญญัติ811รก็ภิกษุณีผู้จะใช้น้ำชำระทาความสะอาดึึงใช้น้ำชำระทาความสะอาดลึกเพียงสองข้อองคุลีเป็นอย่างมากให้เกินกำหนดนั้นต้องอบัตปาจิตติเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งจบ